<c oughs> ข อ, อนอบน้อมต่อคุณพระตาไตรข้าวการล้มประหลงลพระอาจารย์ทรงศิลเพื่อทศมิตรท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านเนาะก็นั่งสบายๆเนาะไม่ต้องแผนมมือแล้วก็ทําทความรู้สึกตัวไปด้วยก็ได้เนะาะเอาการรู้สึกตัวเป็นเป็นใหญ่แล้วกันนะเป็นหลักการฟังเป็นลองนะจะได้ตื่นตัวขึ้นมานะ เราทําไมต้องมาปฏิบัติธรรมกันนะเราเคยถามตัวเราเองไหมนะจริงๆแล้วเราแบบเพื่อตัวเราเองนะคือเราเนี่ยมีความทุกข์เราก็จากการที่เรามีความทุกข์นั่นแหละเราก็ต้องการที่ยอ่อจากความทุกข์เราก็มาปฏิบัติธรรมกันนะนี่เป็นหลักสําคัญเลยนะถ้าเราตั้งเป้าหมายเช่นเนี้ยการปฏิบัติธรรมก็จะมีค่ามากเนาะแล้วก็ในคําสอนของพุทธศาสนานี่ก็สามารถที่จะ แยกได้เป็นส่วนใหญ่ๆก็คือให้เรารู้จักความทุกข์นะรู้จักความทุกข์หรือยังนะตรงนี้สำคัญมากแล้วก็ต่อมาอพระเจ้าก็ได้ส่งแสดงวิธีการที่จะเอ า, ากนะความทุกข์เหล่านั้นก็คือการดับทุกข์นั่นเองเนาะเพราะการที่เรารู้จักความทุกข์เนี่ยจึงเป็นประเด็นสำคัญว่าเรารู้จักไหมเนาะความทุกข์ที่เรามีอยู่ก็มีเมื่อเราเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป็น ทุกประจําสังขารอยู่แล้วนะเราหลีกหลีกเลี่ยงไม่พ้นเนาะนอกจากก็มีทุกจรมาอีกมากมายนะทุกทางกายทางใจทางกายนะเราก็เห็นไม่บางทีเราก็อาจจะง่วงๆ่ว ง, งเนี่ยมาก็เป็นความทุกข์นะเมื่อยปวดขาก็เป็นความทุกข์เนาะอากาศเย็นเย็นก็เป็นความทุกข์เราหิวก็เป็นความทุกข์นะอันนี้เป็นความทุกจรมาเนาะ นอกนั้นก็ยังมีโครคภัยไข้เจ็บนะพวกนี้เป็นความทุกข์จรมาทั้งนั้นเลยนะแต่ความทุกข์จรมาหรือความทุกข์ประจาสังขารก็ดีนี่มันไม่สามารถที่จะแก้ไขให้ใ ห, หมดสิ้นได้เราก็เพียงแต่บรรเทาทุกข์เท่านั้นเองนะคือแก้ไปตามเหตุการณ์แต่มันก็ไม่อาจจะหมดไปได้นะเราหิวเรามาทานอาหารใหม่แล้วก็หิวอีกใชนะ่ง่วงก็ไปนอนแต่มันก็ง่วงใหม่ใช่ม ม, มันเป็นสิ่งที่เราแก้แก้ไขชั่วคราว ส่วนความทุกข์อีกตัวหนึ่งคือการความทุกข์ในทางใจเนาะความทุกข์ในทางใจก็เป็นความทุกข์ที่ทารุณแสบเผ็ดนะเป็นเหตุให้คนฆ่าตัวตายได้แล้วก็เป็นนำความทุกข์มาให้เราได้บ่อยๆนะเรามีความวิตกกังวลมีความเครียดมีความกลัวต่างๆเหล่านี้เป็นความทุกข์ทางใจหมดเลยเนาะมันมันเป็นสิ่งที่เรียกว่านำความทุกข์มาให้เราบ่อยๆได้ แต่ความทุกข์ในทางจิตใจนั้นนะกับสามารถที่จะทำให้ดับให้หมดไปได้อย่างเด็ดขาดเนาะเพราะนั้นะพระหลหันท่านก็มีแต่ความทุกข์ในทางกายเท่านั้นแต่ทางใจท่านก็ดับได้เด็ดขาดแล้วนะเพราะนั้นการประธรรมจริงๆก็คือการที่เรามาดับทุกข์ในทางจิตใจนั่นเองนะนี่เป็นเป็นสิ่งเรานะมาปฏิบัติในตรงนี้นะคือดับทุกข์ในทางจิตใจเรา ถ้าเราเราตั้งเป้าหมายว่าการมาทำเพื่อความดับดับทุกข์แล้วมันจะตรงทางเนาะแต่ไปตั้งเป้าหมายอื่นมันก็ไม่ตรงทางเสนะิงที่ไปบัดเพื่อคุณวิเศษอย่างอื่นหูทิพตาทิพได้คุณวิเศษต่างๆนั้นเป็นผลทางอ้อมแล้วก็ไม่ตรงทางแล้วเราจะมีความทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นด้วยเนาะคราวนี้เราเราไปบัรแล้วเราจะดับทุกข์ได้จริงไหมนะมันมันไม่ยากนะความทุกข์มันเกิดจากใจ เพราะมันก็ต้องดับที่ใจนะครมันไม่ได้ไปดับที่มันดับที่ใจเราเท่านั้นเองใช่ไหมใจเรามันมีกิเลสเนี่ยมันมีความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นหัวหน้าใหญ่ใช่ไหมนำความสุขความทุกข์มาให้เราตรงนี้เรารู้ทันไหมเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้มากกว่าใช่ไหมอ่าถ้าเราเราไม่รู้ต้นเหตุของความทุกข์มาจากอะไรเราก็ดับไม่ถูกนะอ่าแต่มันก็อยู่ในใจเรานี่แหละความโลภความโกรธความหลงเราไม่ต้องไปบอกว่ามันมันต้องไม่มีนะอ่าความโลภความโกรธความหลงต้องไม่มี มันมีก็มีได้ไม่เป็นไรแต่สำคัญเราเรารู้ทันไหมใช่ไหนะครั้นี้เมื่อเรารู้ทันสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ในใจในใจเราไม่ได้นานก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงแล้วก็หมดไปใ น, ในที่สุดเนาะครั้นี้การที่จะรู้ทันในสิ่งเหล่านั้นนะเราจะทำอย่างไรเนาะพระเจ้าก็เลยส่งให้เครื่องมือไวนะในที่ท่านแสดงไว้ในสติปัฏฐานสก็คือกลับมาตามรู้กายรู้ใจนั่นเองนะ ซึ่งก็มีหัวข้อย่อยๆว่าให้รู้กายเวทนาจิตธรรมเนาะท่านเลียกเต็มๆก็กายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นต้นนะมันมันเป็นการตามรู้กายแล้วก็จิตตามานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือตามรู้ใจเนาะคราวนี้เราเรามาตามรู้อย่างไรนะก็มอีอีบทใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้บอกว่าเดินให้รู้ว่าเดินนั่งรู้นั่ง ยืนให้รู้ยืนนอนให้รู้ว่านอนนะก็คือกลับมามีความรู้สึกในขณะนั้นว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะครั้นี้บางคนก็บอกว่าออการมาธรรมนี้มันต้องมีอะไรที่มันพิสดารนะมีความมาศจรัญนะมีความแปลกๆหรือว่ามีอะไรที่เหนือ mm. เหนือคนธรรมดา mm. ใช่ไหมมันต้องได้อะไรสักอย่างนึงที่มันเหนือคนธรรมดาที่ทั่วๆไปคนก็ไม่ได้กัน mm. เราต้องดีต้องพิเศษเนาะอันนั้นเป็นความเข้าใจผิด การมาทำจริงๆแล้วมันเป็นการกลับมารู้เรื่องธรรมดาในตัวเราเท่านั้นเองนะกลับมารู้เรื่องธรรมดานี่แหละใช่ไหมเช่นยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราเรารู้ไหมใช่ไหมตรงนี้มันเป็นประเด็นสําคัญกว่าเนา ะ, ะเคยมีพราหมณ์ถามพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทองค์ได้ทรงล่วงทุกข์ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าตถาคตยืนเดินนั่งนอนพราหมณ์ก็หัวเราะเยาะบอกว่าชาวบ้านเขาก็ทําทเช่นนั้น พระเจ้าบอกว่าไม่เหมือนกันนะตถาคตยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้เดินนั่งก็รู้นั่งนอนก็รู้นอนเนะ mm hmm. าะพราหม์ก็ยอมรับว่าเออชาบ้านเขาเขาก็ไม่ได้รู้เช่นนั้นนะเพราะนั้นมันเป็นสิ่งว่าเรากลับมารู้รู้ในขณะปัจจุบันนี้แหละว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ก็เป็นเรื่องรู้ในเรื่องปกติธรรมดาของเราเนาะส่วนที่แสดงว่าเป็นการรู้ในปกติธรรมดาต่อมาก็คือรู้ในข้อสัมพันธยาปัจภา พระพุทโธก็เดินส่ทรงตัดว่าเลียวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขนก้มเงยทรงจีบอสังกาติดื่มลิ้มกินเคี้ยวอุจจลระปั ส, สวะก็ให้รู้สึกตัวในขณะนั้นว่ากำลังทำอะไรอยู่เนาะอันนี้ก็ยิ่งเป็นการแสดงอีกครั้งหนึ่งว่ากลับมารู้ในเรื่องปกติเรื่องธรรมดาของเรานั่นเองในชีวิตประจวันวนี่แหละกลังทาอะไรอยู่เรารู้ไหม ขณะนี้กำลังนั่งอยู่เรารู้ไหมขณะนี้กำลังยกมือพลิกมือเรารู้ไหมขณะนี้กำลังได้ยินเรารู้ไหมขณะนี้กำลังคิดไปแล้วเผลอไปแล้วเรารู้ไหมขณะนี้กำลังไม่พอใจเรารู้ไหมขณะนี้กำลังยินดีเรารู้ไหมตรงนี้มันมันสำคัญมากคือมันกลับมารู้นั่นเองนะว่าขณะนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นมาในในกายในใจเรา พอเมื่อเรารู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วจิตมันก็จะไม่ไปไหนมันจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเรารู้เนื้อรู้ตัวเราเมื่อรู้เนื้อรู้ตัวเราเราก็สามารถที่จะสังเกตจิตใจเราได้ว่าขณะนี้ในใจเราเป็นอย่างไรใช่ไหมขณะนี้เรามีความคิดขณะนี้เรามีความเศร้าหมองขณะนี้เรามีความไม่พอใจขณะนี้เรามีความยินดีเรารู้ทันการที่เรารู้ทันนี่มันรู้ทันอะไรรู้ทันความโลภความโกรธความหลงนั่นเองใช่ไหม มันกลับมารู้ทันแล้วคนนี้จะรู้ทันได้อย่างไรนะถ้าคนเรานั่งนิ่งๆเนี่ยมันก็จะใจลอยนะคิดนู่นคิดนี่อยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาของจิตใจแต่การจากการที่เราแค่ขยับเนื้อขยับตัวนะเช่นเราเอามือพลิกคว่ำพลิกหงายแค่นี้เท่านั้นเองนะมันก็จะกลับมาแล้วนะมันสังเกตได้ว่ามันเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นเพราะการนั่งนิ่งๆมันจะไม่มีอะไรชัดเจนมันไม่ชัดเจนเพราะเราไม่รู้สึกในการนั่งมันเป็นความเคยชินของเราเพราะเมื่อเป็นความเคยชินแล้ว ใจมันก็จะเคยชินไปด้วยมันก็จะไหลออกไปในอนาคตในอดีตเป็นประจําแต่เมื่อเรามีการเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างหนึ่งใจมันมารับรู้ในตอนนั้นปั๊บมันจะเกิดอยู่กับปัจจุบันธรรมขึ้นมาไปบรรณธรรมนี่แหละมันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่ว่าสังเกตได้ในขณะนี้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะมันก็จะ <c oughs> ออกจากอดีตหรือนาคตได้แล้วอย่างหนึ่งเราสังเกตได้ไหมว่า อดีตอนาคตมันมีจริงไหมมันไม่มีจริงนะมันมีแค่ในความคิดเราเท่านั้นเองเนาะเมื่อวานนี้ก็ไม่มีจริงใช่ไหมมันเป็นแค่ความคิดพรุ่งนี้ก็ไม่มีจริงมันเป็นแค่ความคิดแต่ว่าชีวิตเราทั้งชีวิตเราสังเกตดูให้ดีว่าทุกๆขณะในชีวิตเรามันคือปัจจุบันเท่านั้นเองนะมันคือปัจจุบันกายเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันแต่ใจมันไม่เคยอยู่กับปัจจุบันมันจะไหลก็ไม่ปอดีตหรืออนาคตเป็นประจํา <c oughs> เพราะนั้นมันก็ต้องทำให้ทันทันปัจจุบันนะก็คือกลับมารู้ตึกตัวนั่นเองกลับมาขยับขยื่นเคลื่อนไหวแล้วเราก็สังเกตในตรงนั้นปั๊บเราจะรู้เลยขณะ น, นี้กายเราเรารู้ทันกายนะพอรู้ทันกายมันจะรู้ว่าเออขณะ น, นี้กำลังทำอะไรมันก็รู้นะมะนี่แหละคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะเพราะชีวิตเราจริงๆมันอยู่แค่ปัจจุบันเท่านั้นเองไม่ไม่มีอดีตอนาคต เพราะนั้นการที่เราเข้าไดิน้นนคดก็คือการที่เราหลงไปแล้วหลงหลงเข้าไปในความคิดนะหลงไปปรุงแต่งแต่เมื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วมันออกจากความคิดได้นะมันไม่ต้องคิดว่าขณะนี้กําลังนั่งเพราะเป็นเป็นความจริงมไม่ต้องคิดว่าขณะนี้กำลังยกมือเพราะมันเป็นความจริงนะไม่ต้องคิดว่าขณะนี้กาลังได้ยินเพราะมันเป็นความจริงมันยังออกจากความคิดได้กลับมาลูเท่านั้นเองนะเพราะการที่มันคิดนั่นแะหละมันเป็นการมันหลงไป แต่เมื่อมันกลับมารู้ปั๊บเนี่ยมันคือความจริงนี่แหละมันจะกลับมาสู่ความเป็นปัจจุบัน <c oughs> เพราะฉะนั้นความเป็นปัจจุบันนันก็คือของจริงนั่นเองนะโดยที่ไม่ต้องใส่ความคิดแต่ใส่ความรู้เพราะฉะนั้นเมื่อใจเรามีความรู้เกิดขึ้นมันก็เลย เ, เกิดการชักกระเจิกันขึ้นระหว่างการหลงและการรู้ใช่ไหมเพราะว่าการที่เราอยู่ปัจจุบันนี่เราไม่ต้องไปตั้งใจต้องอยู่ 100% นตะต้องไม่ไปไหนเลยต้องนิ่งอยู่ขณะ น, นี้ต้องสงบอยู่ไม่คิดอะไรเลยอันนั้นไม่ไมถูกต้อง ในขณะนั้นอยู่ปัจจุบันก็จริงมันก็มีโอกาสที่จะหลงไปได้มันก็คิดว่าไปวัดแบบไปแต่เมื่อก่อนมันจะคิดยาวใช่ไคิดยาวไปเลยบางทีห้านาทีสินาทีครึ่งชั่วโมงเราไม่รู้เลยแต่เมื่อเราอยู่ปัจจุบันก็คือเช่นเร า, าพิกมือความพลิกมือหายเป็นต้นนะมันมีตัวรู้อยู่ปั๊บมันคือการชักเยอะกลับมาแล้วนะชักเยอะกลับไหลกับอดีตและอนาคตกลับมาอยู่กับปัจบันอ่ามันจะเป็นการชักเยอะเกิดขึ้น การที่มันชักกระเยอนั้นนะมันชักกระเยอะบ่อยๆมันคือสติกลับมากลับมาใช่ไหมมันจะมีสติเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้าจิตสงบแล้วมันก็ไม่ค่อยชักชกระเยอะมันก็แค่เป็นความสงบเท่านั้นเองมันเป็นการเสียเวลาในการที่เราจเจริญสติแต่การที่เราสามารถที่จะรู้ทันความคิดคิดแวแ๊บไปรู้ทันคิดว๊บไปรู้ทันนี่แหละเป็นการจเจริญสติเพราะว่าอะไร สติก็คือการระลึกได้นั่นเองระลึกได้ว่าอะไรระลึกได้ว่าเราคิดไปแล้วนะระลึกได้กําลังมีความโกรธความโลภความหลงระลึกได้ว่าขณะนี้กําลังนั่งอยู่กาลังยกมือกําลังได้ยินนะก็คือการระลึกได้ในขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่นั่นเองนะนั่นคือการระลึกได้ว่าเราคิดไปแล้วใช่ไหมเพราะนี่แหละการระลึกได้เราคิดไปแล้วคือการเจริญสติแล้วนะครูบาอาจารย์ลงม่เทมบอกว่า ยิ่งคิดยิ่งรู้น ะ, ะถ้าไม่บอกว่ายิ่งสงบยิ่งเกิดสติแต่ถ้าบอกยิ่งคิดยิ่งรู้ก็คือเมื่อเราคิดไปคิดไปลอยครั้างเรารู้สักย3่สิบสามสิบครั้งไห ม, ไหมแค่เรายุรู้2ี่สามิบครั้งเนี่ยถือว่าสติเราพอใช้ได้แล้ว ม, มันไม่ต้องรู้ลอยครั้งหรอกเพราะเมื่อก่อนเราคิดลอยครั้งเราก็แทบจะไม่รู้เลยแม้แต่ครั้งเดียว ม, มันก็ค่อยๆเป็นการเขยาา่าท่านรู้ให้ให้ตื่นขึ้นมาเรื่อยๆนะ <c oughs> เพราะนั้นถ้าเราจับประเด็นได้ถูกต้องแล้วก็คือ เราไม่ได้แบบเพื่อความสงบเนาะมันสงบไม่เป็นไรต่อไปเมื่อเรามีสติแล้วมันสามารถสงบได้เองแต่เราไม่ได้ไปตั้งใจในตรงนั้นแต่ในขณะที่ใหม่ๆเราก็ไม่ต้องเอาความสงบแต่เราเอาเป็นการที่เ ร, า, เรารู้ทันความคิดรู้ทันกลับมา น, นมันเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นการเขยา่าธาตรู้เนาะจริงๆแล้วคนเรามีธาตุรู้อยู่แล้วก็ เ, เรียกว่าเป็นวิญญาณธาตุ <c oughs> หรือว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนั่นเองนะมีอยู่ทุกคนนะเพราะว่าไม่ ม, มีตัวนี้ไม่มีใครโอกาสบรรลุธรรมแต่ว่าทุกคนมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงศักยภาพให้เราเห็นเต็มที่เท่านั้นเองที่ไม่ได้แสดงเพราะว่าเราไม่ได้ขย่าเขาขึ้นม า, มานะเมื่อคนเรานะ่ยมีความสามารถต่างๆอยู่แล้วนะแต่เราไม่เคยมาเอามาใช้ให้เต็มที่เท่านั้นเองใช่หไหมคร <c oughs> าวนี้เราก็ต้องขย่บเขาขึ้นมานะให้เขาลุก บ, บ่อยๆใช่หไหมการขย่าก็คือกลับมารู้สึกตัวก่อนใช่หไหม ตอนนี้ถ้าเราสังเกตได้ถ้ารู้สึกตัวใช่ไหมมันจะเริ่มตื่นตัวแล้วนะมันจะไม่ง่วงเหงาเหานอนนะเริ่มตื่นตัวแล้วใช่ไหมตื่นตัวการที่มันตื่นตัวนี่แหละมันเป็นการขย่าท่านรู้อย่างหนึ่งให้เขาเริ่มตื่นตัวขึ้นมานะเขาเรียกว่าให้จิตมันตื่นตื่นขึ้นมาเมื่อมันจิตมันตื่นเป็นอย่างไรมันก็ต้องรู้ใช่ไหมมันไม่หลับไหลใช่ไหมแต่เราบางทีนั่งนิ่งๆฟังนั่งนิ่งมันก็มันไม่ตื่นตัวมันก็เริ่มจะหลับไหลเริ่มจะง่วงนอนใช่ไหมมันจิตมันก็เป็นอีกกอย่่าาางงงนนนนนนนนึเเเเพรรระะฉัััั้้้สตตไดจจิิมมป็แบบ เมื่อมันสามารถที่จ ะ, ะตื่นตัวได้มันก็สามารถสังเกตจิตใจได้ใช่ไหมมันตรงเนี้ยครูบาอาจารย์หลวงพ่อคำเขียนบอกว่าดูกายเห็นจิตนะดูคิดเห็นทำนะเพราะคํำมาดูกายไม่ใช่เราไปคอยดูกายนะแต่เป็นความรู้สึกนั่นเองรู้สึกในกายเรานี่แหละตอนนี้เรากลับมารู้สึกในกายเราเคลื่อนไหวกระทบนิ้วบ้างพลิกมือความพลิกมือง่ายบ้างยกมือบ้างพอเราสังเกตกายได้ปุ๊บจิตมันจะเริ่มละเอียดนะคือจากการที่มันเคย เคยไหลมันปไปจํามันจะเริ่มกลับมาอยู่ที่ตัวเราเองแล้วในการที่มันจะรู้กายพอรู้กายจิตมันจะเริ่มกลับมาสังเกตตัวเราเองคือสังเกตที่ไหนมันจะกลับมาสังเกตในจิตเราเองมันไม่ได้ไปสังเกตที่ไหนหรอกพอมรู้กายมันจะกลับมาสังเกตในจิตเราเองมันสังเกตว่าขนาดนี้นะมันมีความคิดเราจะเริ่มรู้แล้วอมันคิดไปแล้วนะเมื่อเรารู้ปุ๊บเป็นยังไงเราไม่ต้องบอกว่าเรองกลับมานะ้วพอรู้ปุ๊บจริงๆแล้วมันดับเลยนล้มันหายไปเลยดับไปเลยหายไปเลยนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันแล้วนะ มันแสดงอะไรมันแสดงความเกิดความดับให้เราเห็นแล้วใช่ไหมเนี่ยเราเห็นความจริงแล้วก็คือเห็นความเกิดหรืความดับเพราะหลวงพ่อกำกเขียนบอกว่าดูคิดเห็นรำนะดูคิดเห็นทำทำมาเห็นทำก็คือเห็นปัตตรักนั่นเองเห็นความเกิดความดับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นนักตายบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยพอเราเห็นกายปุ๊บดูกายเห็นจิตจิตก็คือเห็นความคิดเห็นอารมณ์ต่างๆก็จะดูความคิด ก็คือดูใจก็จะเห็นธรรมดูคิดเห็นธรรมก็เห็นพระไตรลักษณ์นั่นเองเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์บรตดาบังคับบัญชาไม่ได้ความเกิดความดับเมื่อเห็นแล้วในสิ่งเหล่านี้บ่อยๆนะจิตก็จะเกิดความเข้าใจในสภาวะธรรมว่าทุกอย่างระบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขมีแต่ความไม่เที่ยงความไม่แน่ไม่นอนมีแต่ความแปรปรวนแล้วก็เห็นว่าความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นความทุกข์เมื่อเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็เป็นสภาวะหนึ่งที่ระบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาจึงเป็นเช่นั้นเอง บังคับบัญชาเขาก็เป็นเหตุให้ความไม่เที่ยงเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเราบังคับบัญชามันได้เขาก็จึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะเป็นอันตรายนะตรงนี้เป็นสภาวธรรมที่เราสามารถประจักได้สำหรับนะผู้ปฏิบัติธรรมนานๆแล้วนะสี่สบวันแล้วก็สามารถสังเกตตรงนี้ได้จริงน ะ, ะเห็นไหมว่ามันไม่เทียงจริงนะบงางครั้งก็ดีบงางครั้งก็ไม่ดีใช่ไหมเมื่อวานเราปฏิบัธรรมว่ามันดีใช่ไหมมันดีมีความลุกตัวกับทั้งวันเลย แต่เอมาวันนี้ทําไมมันไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วนะมันกลับหลงเยอะฟุงซ่านเยอะถ้าเราไปวัตรแล้วมันคือมันไม่เห็นมาตายรักมันก็มีความทุกข์มันทำไมมันไม่ไม่ดีถาวรนะไปบัตรมาต้องตีตื่นตอนแล้วมันไม่ไม่ดีตลอดไปทำไมไม่ไม่รู้สึกตัวทุกวันเราก็มีความทุกข์ใช่ไหมอันนั้นเพราะเรายังไม่เข้าถึงมาตยรักแต่เราเข้าถึงมไตยรักเราแจ้งความจริงแล้วการประทัรมมันแสดงมไตยรักต่างหากใช่ไหมว่าเราไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเป็นความจริงนะ ก็เรียกไตลักนี่ก็คือสามัญยลักษณะสามัญก็คือความเป็นธรรมดาของมันเท่านั้นเองใช่ไหมมันแสดงความจริงว่าเราบังคับไม่ได้มันจึงไม่เที่ยงเราก็ไม่ทุกข์กับมันใช่ไหมปฏิบัติมาร้อยวันปีหนึ่งมันก็ไม่เที่ยงอย่างเก่านั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่เข้าใจก็จะทุกข์ไปตลอดแต่เราเข้าใจแล้วก็วางใจได้โอ้มันแสดงความไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันจึงไม่ใช่ของเราไม่ตัวไม่ตนของเราเนาะตรงเนี้มันก็จะกลับมาเออเข้าใจว่ามันไม่ตัวไม่ตนของเรา มันก็จะละกิเลตได้อย่างแท้จริงนะเมื่อไม่มีตัวเรามันก็มีของเรามีของกูอยู่ใช่ไหมเมื่อมีของเราแล้วมันก็มีความโลภความโกรธความหลงก็จึกไปของเราด้วยเห็นไหมเป็นของเราหมดเลยแต่มันไม่ใช่ของเราความโลภความโกรธความหลงมันก็จึกไม่ของเราเป็นของมันเองนะเป็นของเป็นเรื่องของเขาเองเป็นเรื่องของใจไม่เรื่องเราเนาะเรามีหน้าที่แค่รู้แค่ดูเท่านั้นเราเป็นผู้ดูเท่านั้นเองนะเพราะฉนั้นผู้ที่ปฏิบัติมา4ี่สิบวันก็สังเกตตรงนี้ได้ว่า จริงๆแล้วเขาสแสดงไอ้พวกนี้อยู่ประจำนะว่าไม่ที่จะเป็นทูป็นต า, าบังคับบัญชาไม่ได้เขาสแสดงตลอดเลยนะตรงนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็กลายเป็นผู้ดูไปใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันเป็นผู้เป็นเป็นผู้เป็นเดี๋ยวก็มีไปบัติวันไหนไปบัติดีแล้วเราก็พอใจยินดีวันไหนไปบัติไม่ดีเราก็ไม่พอใจไม่ยินดีนั่นแหละเราเป็นผู้เป็น ม, มันสังเกตรเราเป็นผู้เป็นใช่ไหมแต่เราไปบัตรทำํำแล้วเราเข้าใจาวันไหนมันดี เราก็เป็นผู้ดูมันไปเองก็ไม่ได้เป็นยินดีร้ายอะไรเขาเป็นผู้ดูไปแต่เขาจะยินดีก็เป็นเรื่องเขาไม่ใช่ไม่ใช่เรายินดีนะเราก็แค่เป็นผู้สังเกตเห็นความยินดีเกิดขึ้นอวันไหนประเดี๋ยววันไม่ดีเราก็มันก็ยินล้ายใช่ไหมมันไม่พอใจเราก็ดูเข้าไปเอออันนั้นมันก็เป็นสิ่งเราถูกรู้ไปควาไม่พอใจเป็นสิ่งถูกรู้ไปใจแล้วก็ดูเข้าไปนะตรงนี้รู้เฉยเฉยรู้ซึ้งก็ตรงนี้นั่นเองนะ ยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจก็รู้กาไปนี่เราเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะมันก็กายมันรู้ซื่อรู้เฉยเฉไปเนาะเพราะฉนั้นเราปฏบัติมาต้องนานแล้วสี่สิบวันแล้วก็เป็นผู้ดูเป็นผู้เป็นหรือยังใช่ไหมต้องสังเกตตรงนี้ให้ได้ใว่าออกจากความทุกข์ได้นะแต่เป็นผู้เป็นมันก็ทุกข์เท่าจากถ้าเป็นผู้ดูมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมตรงนี้มันก็คือสิ่งที่ว่าเราไปบัติรรมมานานแล้วเราเราก็เข้าใจเข้านะเราก็ไม่เป็นผู้ทุกข์อีกแล้วนะเพราะมันมันไม่ได้ปฏิเพื่ออะไร การปฏิบัติทั้งหมดไม่ได้ไม่ได้ปบัติเพื่อให้อะไรทั้งหมดเลยต้องได้อะไรต้องเป็นอะไรแต่เป็นการกลับมารู้ความจริงต่างหากใช <c oughs> ่ไหมความจริงก็คือตรงเนี้ยจริงๆแล้วกลับมารู้ว่าระบังคับบัญชาสิ่งต่างเขาไม่ได้เลยนะเขาแสดงตลอดเวลาแล้วใช่ไหมในความไม่เที่ยงบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีนะบางครั้งก็งงมีอารมณ์พอใจไม่พอใจบางครั้งไปบัตรละก็งุ่นงิดเครียดเหงานะหรือว่าก็ง่วงนอนนะหรือไม่ก็เบื่อนะแล้วก็ มีความปวดเมื่อยนะต้องแก้ปบดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากเดินชั่วโมงหนึ่งกลับมานั่งทั้งหลายเหล่านี้มันแสดงความไม่เที่ยงเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเลยมันมันเห็นตรงนี้ไหมใช่ไหมถ้าเห็นแล้วเราจะเข้าใจอลไรทั้งหมสิ่งนี้มันเห็นนะมันคือสภาวะหนึ่งให้เราสังเกตเห็นเท่านั้นเองนะถ้าเราสังเกตเห็นตรงนี้เราจะรู้เลยว่าเราบังคับอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งเลยนะมันเป็นสภาวะที่เรากลับมารู้มาดูเท่านั้นเองเป็นผู้สังเกตเป็นผู้เห็นเห็นอะไรเห็น เห็นรูปมันเดินนะเห็นรูปม <şallah> ันเดินไปเห็นใจมันนึกคิดนะฮะใจนึกคิดก็คือนามนะมาก็คือเห็นรูปเห็นนามนะมันต่างคนต่างทํางานกันนะมันเห็นกายเห็นใจนี่แหละคือเราเข้าถึงพระศาสนาแล้วนะจริงๆแล้ว มันไม่ใช่ว่าเข้ามาเห็นกายเห็นใจได้ง่ายๆนะบางบางคนถ้าไม่เคยกลับมาศึกษาแบบธรรมหรือมาแต่ค้นศาสตางศนาก็จะไม่รู้เลยว่ามีกายมีใจอยู่มันไม่เห็นไม่เห็นกายเห็นใจเลยวันๆนี้ไม่เคยเห็นกายไม่เห็นใจต่างกายทํางานก็ไม่เห็นใจทํางานก็ไม่เห็นไอ้ตรงนี้มันเรียกว่ามันเป็นปุรุชนนะคือหนาด้วยกิเลสใช่ไหมแต่เราไปว่าธรรมแล้วเดินยวงกลมนะก็เห็นกายมันเดินนั่นแหละมายกมือก็เห็นกายมันยกมือไปใช่ไหม ในขณะนั้นมีความคิดแล้วก็สังเกตเห็นความคิดไปมันแยกนะแยกกายแยกใจให้เราเห็นชัดเจนเลยใช่หไหมเราแค่เห็นมันแยกก็ใช้ได้แล้วนะมันก็แยกรูปแยกน้ำนั่นแหละใช่ไหมก็สังเกตเข้าไปเนี่ยตรงนี้แค่เราเห็นกายเห็นใจมันทํางานนี่อันนี้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยนเราเริ่มเข้าถึงมรรคตลนาแล้วนะพอต่อไปเราจะสามารถกลับมาสังเกตกายสังเกตใจได้เองนะดูกายดูใจไปนะเป็นผู้ดูดูกายดูใจเมื่อก็อนเราจะทุกข์มาก เออทาไมเราโกรธเก่งทําไมเราขี mm ้ง hmm.. right? right? right? oh, ุดหงิดท mm ําไมเราขี้บ่นนะทาไม่เราเครียดเรากลัวแต่ตอนหลังเราเข้าใจเลยเห็นโอ้พวกนี้มันเป็นอาการของใจเท่านั้นเองไม่ใช่เราเข้าใจไมันจะเห็นอาการของใจคืออาการที่มันจะเห็นอาการของใจมันต้องเห็นใจก่อนนมันไม่ใช่อยู่ดีเห็นอาการหรอกเข้าใจไหมอเราเมื่อเราเห็นกายเห็นใจปุ๊บเราจะเห็นโอ้ความโกรธนะเมื่อก่อนเราเป็นคนโกรธนะโกรเก่งจังเลยอขี้งุดงิดจังเลยขี้บ่นจังเลยตอนหลังเราจะเห็นแล้วอ มันมันมันโกรธนะอใจมันโกรธเก่งจังเลยเมื่อก่อนเป็นเราโกรธตอนเราเห็นอใจมันโกรธเก่งจังเลยใจมันขี้งุนงิดจังเลยใจมันขี้บ่นจังเลยนะมันมันจะกลับมาเห็นเห็นเห็นใจเห็นอาการของใจนี่ซึ่งจริงๆแล้วกายและใจก็ไม่เห็นตัวเราอยู่แล้วที่เราสดตอนเช้านะสัพเพสั้งคารานิจจาสัพเพสังกาลาทุกขาสัพเพธรรมานตตาเห็นไหมก็คือการและใจมันไม่อย่างเรานะมันเป็นแค่รูปแค่นามเท่านั้นเองนะ รูมันเป็นแค่รูปขนาดมันไม่เราตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของนามเรื่องของใจไม่เรื่องเราเพราะมันโกรธมันรักมันชังก็เป็นเรื่องใจไม่เรื่องเรานะเมื่อก่อนมันเป็นเรารักเราชังเราโกรธนะเราเห็นใจผู้มันจะเห็นอาการของใจอาการของใจก็คืออารมณ์ต่างๆความโลบความโกรธความหลงอิจฉาเหงาเครียดกลัวถึงห่วงน้อยใจพยาบาทอคตมันเป็นอาการของใจเหมือนเลยนะมันออกกัผู้ดูเขา ดูแล้วเป็นยังไงนะเขาก็ไม่ไปต่อใช่ไหมมันไม่ไปต่อหรอกเพราะว่าเรามีปัญญาแล้วเราเห็นแล้วมันไม่ไปต่อแต่เมื่อก่อนเราก็ไม่มีปัญญาว่ามันก็ไปต่อนะเราเป็นคนโกรธคนรักคนชังมันโกรธไม่พอเป็นอาฆาตยาบาทไปเลยใช่ไหมนั่นแหละเพราะเราไม่มีปัญญานะถ้งเราไปทําเราก็เห็นเราก็มีปัญญาโอ้พวกเหล่านี้นะมันเป็นแค่อาการของใจอย่านะไม่ตัวไม่ตนของเรานะมันเป็นเรื่องของใจไม่เรื่องเราเราออกมาเป็นผูดูปุ๊บมันดับหายไปเลยนะ แล้วการนี้มันดับหายไปนี่มันมีประโยชน์อะไรพวกนี้เราจะสังเกตในอย่างหนึ่งว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับมีแต่ความไม่เที่ยงไม่แน่เป็นไม่นอนเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นความยึดมั่นถือมั่นมันจะลดน้อยลงใช่ไหมสมัยก่อนนะั้นอะไรๆก็เป็นของเราหมดนะโกรธเราลั ก, เ ร, กรเราโกรธเราชังแต่จริงๆแล้วพวกนี้นะมันไ ม, ไม่ว่าเราจะโกรธขนาดไหนมันมาแล้วก็ไปไม่ว่าเราจะลักขนาดไหนมันมาแล้วก็ไป ไม่ว่าความคิดมันจะมีมากนัยไหนก็เป็นความเกิดดับเท่านั้นเองนะเมื่อมันเห็นตรงนี้มันใจมันจะเริ่มปล่อยเริ่มวางแล้วมันทุกอย่างเป็นของโชคราวนะเราก็ไม่ไปยึดติดกับมันใช่ไหมมันมันเริ่มปล่อยเริ่มวางได้เร็วขึ้นความมันตัวตัวตนของเราเนี่ยมันสามารถสังเกตได้ไวใช่ไหมอ่ามันจะเริ่มสังเกตได้แล้วตอนนี้ตัวเราโตขึ้นหรือเล็กลงใช่ไหมอ่ามันมีการกระทบแล้วตัวเราเป็นไงมันจะกลับมาสังเกตจิตได้ไวขึ้น มันจะเห็นเห็นตัวตนเราอยู่เบื้องหลังใช่ไหมเห็นตัวตนอยู่เบื้องหลังอยู่อยู่แทบตลอดเลยนะมีส่วนได้เสียตลอดเลยมั้งเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะมีตัวเราเป็นส่วนได้เสียตลอดเลยมันจะกลับมาสังเกตในตรงนี้ได้ไวขึ้นโอ้ตอนนี้นะอัตราเริ่มขึ้นมาแล้วตัวตนเริ่มขึ้นมาแล้วนะทิศถีเริ่มขึ้นมาแล้วนะมันจะกลับมาสังเกตในตรงนี้ได้ตรงนี้เป็นกิเลสกิเลสที่ละเอียดนะละเอียดว่าความโลภความโกรธความหลงอีกใช่ไหมเพราะมันไอ้จริงๆในความทุกข์มไม่เกิดจาเกิดจากความมีตัวตนของเรานี่แหละ แต่ตอนเมื่ก่อนเราจะสังเกตไม่ได้เลยแต่เม <S 2> <S 2> <S ื่อเราสังเกตได้บ่อยๆโอ้ตอนนี้นะมันมีตัวเราขึ <S <S ้นมาแล้วมีตัวเราก็มีส่วนได้เสียแล้วเมื่อมันสังเกตได้อย่างนี้บ่อยๆนะประโยชน์มันมีมากนะพอสังเกตได้มันจะลดลงไปเองลดลงไปเองเหมือนกับความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละพอเราสังเกตได้มันจะลดน้อยลงน้อยลงแล้วหมดไปเมื่อเราสามารถสังเกตตัวเราสังเกตตัวตนเราสังเกตทิฏฐิเราที่เบื้องหลังได้มันก็ค่อยๆลดลงลดลง นอยลงไปนะตรงนี้มันจะค่อยๆน้อยเป็นในสุดแล่จะหมดไปนะเมื่อตัวตนเราลดลงมันจะเกิดอะไรขึ้นอเมื่อตัวตนเราลดลงเขาเรียกว่าการเป็นตัวตนก็คือสัจคดิษฐินั่นเองก็คือการที่เรายึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของเราเมื่อเราสามารถทําให้ความการยึดมั่นตัวตนของเราลดน้อยลงนั่นแหละคือมีโอการบรรลุเป็นพโสดารันได้นะเพราะพระโสดาบันได้ก็คือมันจะมีสังโยชน์สิบนะสังโยชน์ตัวแรกนี้นะ คืออะไรอันนี้คือด่านแรกถ้าบุตรไดตีนด่านแรกแตกนียด่านอื่นนี่ตีง่ายมากเลยด่านแรกคือสักกา ย, ยดิถินั่นเองก็คือความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของเรานะเมื่อเราสามารถที่จะทําให้เขาล ด, ล, ดลงลดลงลดลงแล้วก็น้อยลงได้เนี่ยภริยาจ่าไม่ได้ไปไหนนะความเป็นโทษโสดาบันเนี่ยก็เรียกว่าไม่ไม่ไกลนะนะเพราะในการปฏิธรรมมันก็คือกลับมาตรงนี้เท่านั้นเองกลับมาสังเกตกายและใจของเราเมื่อเราสามารถสังเกตกายและใจของเราได้แล้วนะ อาการของใจเช่นความโลภความโกรธความหลงก็จะลดลงลดลงลดลงแล้วเมื่อเราสามารถสังเกต ท, ทิฏฐิสังเกตผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้ก็เห็นความเป็นตัวตนอยู่เบื้องหลังนี่แหละเพราะความเป็นตัวตนหรือทิฏฐิจะลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะมันมันเป็นประโยชน์เยอะเลยเนะพราะสิ่ง น, นี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ว่าเมื่อเราสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้ความทุกข์เราจะลดลงอย่างรวดเร็วนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นการมาทำจึงมีบุ ญ, บญกุศลมหาศาลใช่ไหม บางทีการให้ทานก็มีบุญเยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าบุญตรงนั้นจะสนองกับกับเราเมื่อไหร่อาจจะเป็นชาติหน้าก็ได้แต่การบัตรรมถ้าบัตรรมที่ถูกทางแล้วมันจะสนองในชาตินี้เลยนะมันไม่ต้องรอชาติหน้าและจริงๆก็ไม่นานนะในในไม่นานนี่แหละจงสนองเรานะให้เร า, เราความทุกข์เราลดลงอย่างแน่นอนใช่ ม, มเพราะนั้นตรงนี้ก็ตั้งแต่ตั้งแต่ที่เริ่มต้นที่บอกว่า เราจะละทุกได้อย่างไรเราจะทำที่สุดแห่งทุกได้อย่างไรก็คือตรงนี้นั่นแหละที่เริ่มบอกเรื่องต้นว่ากลับมารู้ทันไหมใจเรามีความโลภความโกรธความหลงเรารู้ทันไหมมาตรงนี้ยเป็นประเด็นสำคัญเมื่อเรารู้ทันแล้วก็ตรงเนี้เขาเรียกว่าเป็นซ่องโจรนะไอ้ความโลภความโกรธความหลงมันเป็นซ่องโจรเมื่อเรารู้ทันปั๊บนะซ่องโจรมันจะอยู่ไม่ได้มันจะหนีไปเลยออกจากใจเราอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันซ่องโจรมันจะอยู่ในใจเราตลอดไปนะมันเหมือนกับว่าเออมันมีซ่องโจรอยู่ปุ๊บ เป็นอย่างไรนะาเจอคนทำทากระเป๋าเงินตกไม่มีใครเห็นออเอามาเป็นของเราดีกว่าใช่ไหอหรือบางคนก็ไล่ยู่นั้นนะเห็นผู้หญิงอยู่คนเดียวนะจัดการข่มขืนซะเลยใช่เหมถือพมีโอกาสปุ๊บก็ ท, กทำทันทีนะอันนี้เป็นซ่องโจรในใจเรานะามีเงินบริษัทโอ้เงินจำนวนนี้นะผู้ ก, การาเจ้าของไม่รู้หรอก ตรงนี้ไม่รู้ที่มาที่ไปเอาเปของเราเลยนะเนี่ยซ่องโจรในใจเราเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีซ่องโจรในใจเราเราจึงทําเช่นนั้นไงใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีซ่องโจรในใจเราปุ๊บเงินเขาตกปุ๊บอ่าอย่ากพึ่งไปนะเนี่กระเป๋าเงินคุณตกแล้วอผู้หญิงมาคนเดียวไปคนเดียวไม่เป็นไรคอยดูแลเงินบริษัทเป็นอย่างนี้ไม่รู้ที่มาที่ไปแจ้งผู้จัดการใช่ไหมเราไม่มีซ่องโจรในใจอย่างนะตรงเนี้ยมันสําคัญมากเพราะรังเกตยจไหมว่า คนเราถ้ายังมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่แล้วซ่องโจรมันต้องมีอยู่ในใจเราแน่นอนนะแต่ถ้าเราสามารถที่จะเข้าถึงธรรมแล้วซ่องโจรมันจะลดลงลดลงไปเองนะเพราะเราสังเกตได้ไหมว่าคุณธรรมเราจะเพิ่มมากขึ้นนะมันจะเพิ่มมากขึ้นมาเองเราจะมีฮิลีโอตาปะก็คือการที่เรารู้ผิดรู้ชอบรู้ดีรู้ชั่วเกิดขึ้นในใจของเราแล้วนะแสดงซ่องโจรในใจเราลดลงไปน้อยลงไปแล้วนั่นแหละโอกาสที่เราจะบรรลุธรรมในชัตนนี้ก็มีโอกาสทุกคนเลยเนาะ